ธรรมชาดกแผ่นที่6ลำดับที่28โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19กันยายน2550มีชื่อเรื่องว่าวัวสอนคนเด็กสอนผู้ใหญ่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 ที่จะถึงสองเดือนมีสิ่งไหนบ้างขาดตกบกพร่องฮะพวกเราจะได้ทำให้บริบูรณ์หรือเต็มตื่นขึ้นนะไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับคนไม่ใช่นักการค้าไม่ใช่การทำมาค้าขายอยู่เป็นวันๆไปอันนั้นแปลว่าอยู่แบบชังกระตนะภาษาบ้านเราก็าอยู่แบบชังกระาย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 ขาดทุนกำไรนะแต่ถ้าพวกเราไม่เช็คดูแล้วไม่รู้จักขาดทุนกำไรนะอตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตสมาสีลังวิโสทเยเตรงพอที่บอกยังให้ฟังเป็นแนวความคิดสักน้อยมนนันีเป็นวันเป็นวันพระเป็นวันสำคัญ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 เฮาก็จะต้องเตรียมพร้อมจังซีหละถึงวันพระมาวันการงานเฮาก็เฮ็ดมาต้งงมัดคลายๆก็ว่าทำงานอยู่ตลอดในเมื่อถึงวันพระแปดคำสิบหาคำเฮาก็ควรจะงดซะเพื่อหาอาหารเขาซูท่างจิตใจส่วน หนอกตันเท่ากับมีแต่การสาะแสวงหาสับเสมาควาสําหรับเป็นคราวาตหยายิโน้มย่ามกลางคลืนมากเทาบริเหตการเหตุงานเท่ามานอนเท่าก็มากขุ่นขิดย่ามกลางวันเท่าก็ออกทําการทํางานเาะะนี่ยพลันโบรา่านพลันยังจัดว่ากลางคลืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคลืนเป็นวันก็คือกลางคลืนเป็นควันคือคลื่นยัง คือคุณคิดว่ามืออื่นนี่ขาดทีเหตุอย่างมือต่อไปทีเหตุอย่างว่างแผลการงานคนคิดยั ง, ใใยง ไ, ปปดได้ใจเนี่ยมันขึ้นวนไปเพรเห็ุบ่อใดมันหมืดมันคํามันบมดใจเวลาที่จะเหตุงานที่พจะคุณคิดเพราะนั้นเป็นว่ากลางขึ้นเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางวันออกมานห้าก็บเลยทาการทํางานอย่างที่พวกเข้าทั้งเหตุมานนั่ น, นแต่ว่าถึงยังไงก็ตาม การทําการทํางานของเฮ้าผมมีที่สิ้นสุดขึ้นกันเว้นเสียแต่ผู้นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เพ็ดปอไรเหล้วก็เศ้าซึ่งวนลงไปกคนะว่ายังมีเหื่อมีแหงอยู่เฮาก็ต้องคิดเฮ้าก็ต้องเฮ็ดนี่เนาะงานในโลกนี้ผมมีที่สิ้นสุดวนลงไปคนก่อนที่ตายไปก่อนพวกเข้านับร้อยนับพันนับพันนับแสนนับเป็นล้านๆมาลงไปที่ตายไปก่อนพวกเข้าเพลินก็เฮ็ดที่เคลื่อนกับเฮ้าเนี่ยเฮ้าก็ขึ้นเฮ็ดต่อไปไพ่พักนาคือกัน เพื่อจะหาสะสะแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีวิตของพวกเข้าเพื่อให้พวกเขาอยู่ได้ร่างกายสังขารยูได้บางคนก็คนหาพ่อประมาณกับอีกทำน่องแต่บางคนก็หาโลภจนเกินไปคาว่าโลภคานี้ก็คืออย่างเห็นของคนอื่นเขาหามาได้ตัวเองก็ไปรักไปขมโมยไปชกไปเบียดไปบังอันนี้เป็นว่าความโลภนะความโลภอยู่ในคนของคนนั้น ขันว่าหาโดยนําพักนําแรงเสาะแสวงหาด้วยกําลังบั้งชาของเฮาพอทรัพย์สมบัติในโล ก, กอันนี้ว่างยศถานบรรดาซักลาบยศสนรเสริญสุขอยู่ในโลกนี่บริเป็นเพื่อไผ่ก่อนเพื่อพวกเฮาทุกคนแต่ขันผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นก็ยอมหายยศถาบนบรรดาซักหายลาบยศสรรเสริญสุขได้ ง, ดง่ายขันผู้ใดโง่เง า, งาเตา้าตุนเออแล้วก็บรได้กันไป มันก็มีตามขั้นตอนอย่างพวกเล่าเห็นพวกเข้าเห็นเห็นในโลกนี่แหละอขั้นปัญญายไปมากกับขึ้นมากไปแต่ตามไม่จริงกับพวกเขาก็เห็นอยู่แล้วผู้ใดมีปัญญาแต่บางคนมีปัญญาอมีสติปัญญาเสียบแหลมทั้งทีจะไปไดไกลอยู่แต่ว่าบุญเก่าของเขาบม่มีทังทีก็มีหมดไปมันต้องอาศัยกันทั้งสองอย่างขณาดบาคนมีบุญเก่าอยู่เบื้องหลังในพบอดีตชาติเกื้อกขุนนุ่นหมดไป มันถูกจังหวะไปเองเพราะว่าคนมีบุญคนมีบุญเหตุอย่างมันถูกจังหวะมันถูกการเวลาไปหาใช้มันก็เขากบล็อกมันออกไปมันก็เลยกระโดดไปได้คานวาคนบนมีบุญทั้งที่วิ่งเต้นค้นควายในการหาะแสวงหาทรัพย์ด้วยความมันขยันคลองเฮ้าแต่ไปก็ไปถูกมองที่มันจะหายนานซะมองที่มันจะอันตรายซะทั้งที่ทั้งที่เขาปลูก เขาปลูกน้ำใส่ธงหน้ามันมองก ว, างกวาง้างๆพอห่อไปเห็ดมันปนน้ำท่วมซะบะ้านเอาละปีหนีมันน้าท่วมปีนาคายจะไปปลูกใสรโน่นเพราะมันน้ำท่วมเอาไปมาไปปลูกใสรโน่นโน่นฝนปะตกซะบาานเนี่ย เ, เขาเห็ดนี่หน้าตําหน้าลุ่มหมดได้เข่าเอีกเนยไปเป็นยังไัล่ะพราเหตุใดก็เพราะว่าบุญกุศลของห่อเนียมันมองเ่าเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งลึกๆเป็นการพักกันออกมาทางทั้งบา ร, รมีของพวกเฮ้าบุญกุศลของพวกเฮ้าเพราะนั้นเพิ็นว่าจึงให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเฮ้าอย่างมือหนีพวกเฮ้าญาณโน้มทั้งหลายที่มาวัดมาว่ามาไหวพระสัมมาทานสีนี้เพื่อส่งเสริมบา ร, รมีบุญยราศีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเฮ้าให้พวกเฮ้ามีบุญมีกุศลไปณนะสถานที่ใดทินใด ก็มีแต่ความเจริญงอกงามไพ่บุญจะทานว่าพวกเข้าบ่มีบุญมีกุศลในจิตในใจล้ะไปไซส่กะเห็ดยังกระบอกขืนบอกเกินบ่เจริญ ง, งอกเงยเท่าที่ควรเพราะนั้นบุญกุศลตัวนี้ละ่ะในรักของพระพุทธศาสนาโบลำโบล้านพ่อแมยปูยาตายง่ายของพวกเข้าจึงไหวเห็ดยังให้ทาบุญเดอ้อบุญเป็นเครื่องอาเกือกุนหนุน ให้ผัวเข้าระซบความสุขความเย็นใจเพราะบุญอะหาเงินหาข้ามทรัพย์สมบัติได้แล้วหายศดฐานบรรดาซักได้แล้วหาสิง่งหาของได้แล้วมดทุกสิ่งทุกอย่างหนาจะเพียงพ่อกอระย่งบ่ท่านพ่อก็ต้องหาบุญอีกคนไปหาบุญเสริมเขาไปอีกบุญแต่มองบ่เห็นด้วยตาเน่อแต่จิตใจสัมผัสได้บุญคือความสงบรลบเย็น่มเย็นเป็นสุขทั้งด้านจิตใจอันนั้นเพราะว่าบุญเพราะนั้นพวกเข้า หยาดย่อมทั้งหลายเข้า마า่บุญเนี่กันนี่แหละการสืบเนื่องมาตั้งแต่โบลำโบรันถือเป็นประเภทนี่กันมากแหพวกเขา้า่อยู่เบืองลงังเอาเชื่ อ, อในพ่อแม่คูบาอาจารย์เชื่อในปู่ในยาตายง่ายของเขา้เาแห่เพิินเห็ดยังมากเข้าก็ต้องเลี้ยนตามเพิิน เ, เป็นผู้สังเกตเป็นผู้เลี้ยนตามเพิินแห่งขันเทียนตามเพิินจรงจี่หละแห่ความสงบลมเย็นก็เป็นสุข์เนี่ยไหนบ่ดี เข้ากับใส่ปัญญาคือกันปัญญาคือความรอบขอบปัญญาคือความรอบรู้ปัญญาคือการไขคั้นไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลไปใสกับสังเกตไปใสก็เห็นเบิง้งขันจุของตกทุกข์แต่ยากจังไดเออมันเป็นยัง ไ, กไง ก, งก็ไปเบิง้งสังเกตไปเบิ้งเห็นอย่างมาก็ให้เบิง้งให้สังเกตธรรมชาติจิตใจของเข้าเป็นยังสี่มันเป็นยังไงกับเบิง้งผู้อื่นเข้ามาอีกเปรียบเทียบอีกนี่แหละ แหมยังเถ่าหนึ่งไปกินเลียงวัอเราไปไปกินเลียงแต่งงานเถ่าปรมน้ำไล่วัเราไปทมน้ำไล่ทมน้าหมักกันนะปาดนี่บาดบ้านเขามันมีเข้ามีลูกโกงงนะมันบอกว่ปนลูกกงงแบบลูกโงเข้านะลูกโงแบบเป็นขันถึงสีนะแหมลูกกงงเป็นขันบาดนี้เถ่ามัจะกินทมถตะเคี่ยวหมากปากเปรี้ยวสะกินเขา่าเคี่ยวหมากก้อนตัว เพอเกี่ยวมากแล้วบาดนี้พูดเท่ากับทิทมนลาไร่ไปน่อไปจีทมพูดบางทีมันจีจักไรไปหน่อยไปเลิกเอาหัวป้อนเข้าไปสอดเข้าไปทั้งขางไปสอดเขาไปเขาไปทมนลาไร่ไปพราะทมลำไร่บาดนี้ที่ถอนข้อออกมาพวถอนปุ้ยไปมันข้างซี่เดืนนอนีมออก็มากออกมากพได้ไปออถอดมากก็ถอดมากพได้ บ, บาดนี้เขาก็เอาเข่าเอายังมาเลี่ยงกันเลย อ้าวล่งมาเจนกินเขาอือเดี๋ยวกูเขียวมาก่อนพนพัะที่แท่มันพอนององหัวออกจากปองบะไรว่โนไปเออว่านีไรกัเอาโล่งมามากินเขาแหมบอกยังกูยังเขียวหมาก่อนจืดพนเพะวที่แท่มันพนคข้อมันข้ามข้าลูกกงเข้าลูกกงเข้าวนันไปเออจนเขากินเขาจึงเกือบชีแล้วพุทธอเอาอย่างกูจะออกกันไหนกันกูบอกว่ากู หัวกูฆ่าเลยน่ยอ่าข่าลูกกงมาสิขคือสิข้ายหนาข้ายตากูโผล่มาสินกูปฏิเสธยังได้มาสินขึ้นแล้วขึ้นอีกมาในเทากัดเลี้ยวไปไปเห็นงัวตัวในงูหน่อไปไปหาไปกินงัวตัวนึงมันกินมันกินหยาบเลยไเวลามันจะกินมันก็แข้งต่างขางพอไปก็ไปกินหยาบนะพอกินหยาเบใ็่แล้วๆมาทำมสิถอดขึ้นมามันก็แข่งหัวทุกคนม่นปูกคืยแค้งหัวปุกเล่ามัสน เขาก็เลยแข้งหัวออกมาเลยออกมาได้หมดโอ้ยตายๆตาย่าสนเด้กั้นกูโบเห็นง่วเป็นตัวยางนี่มันกูฆ่าจนหิบขายขีนากูแทวๆสันนี่ขนาดไปอังสันก็ยังก็ยังเอาง่วเป็นตัวอย่างก็ยังได้อันนี้คือการการสั่งคุณงามความดีของพวกเฮ้าเฮ้าก็ต้องมีตัวยางตัวพอแม่ปูยาตาย่ายผ้าเห็ดจังไหนอย่างนี้เป็นศีลเป็นธรรมเฮ้าก็เห็ดปฏิบัติตามเพน เออเดินตามผู้ใหญ่บนว่ามีิต่ความสุขความเย็นใจ น, นั่นแหะขันาว่ามาเดินตามว่าไรเด้พอปันเ่าเอ อ, เเ อ, อไปท่มลำหมักข้อฆ่าดุกงมันอ่ะนะเออจนได้เห็นง่วเป็นตัวอยา่างสะกวันยังคอยเอาข้อออกไรมันไปอันนี้ขึ้กันนะ อ, อ่ะอให้พวกเข้าทั้งหลายนะเนอะยังตัวอย่างหนึง่งคือกันนะ อ, อ่ะอมันก็ต้องอาศัยปัญญาของขู่คนหลายหลายคนวนไปออบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เส้นผมบังผู้เขายังว่าเด้เออมันต้องอาศัยขู่ขนต้องไทยถามกันต้องซักถามกันอขั้นตกเจ้าของโบหูเนี่ยก็ต้องถามวานไปเอ่อกั้นถามกั้นถามซื่อๆบางเธอก็ถามซื่อๆก็ต้องถามโง่โผดออกไปเอ่อก็ต้องถามมีเหลี่ยมเลยเออแต่บางคนกระถามซื่อๆกันก็ะดีวันไปแสดงความคิดเห็น แต่ว่าตามม่จริงคนมันบ่ยอมเสียเปรียบไปจุดนี้หรืจุดหนึ่งอีกวนลงไปบ่อย่อมเสียเปรียบดันทุลังวนลไปทั้งที่ตัวเองพิษอยู่ทั้งที่มันพิษอยู่ก็บ่อย่อมวนไปดันทุลังวนไปเพื่อทิฏฐิมานะของเจ้าของอันนี้บอดีวนไปอแต่บางคนก็พ่อตัวเองพิษถึงสิ่ก็จนปัญญาจนตรอกถึงสี่ก็ถามเขาวานไปไปยังไงไปยังไงอันนี้แปลว่าผู้มีปัญญาคือว่าเดินทางไปแล้ว ก้าวาสิหลงเลยดย้ก็ถามเขาไปอันนี้แปลว่าดีแต่บางคนโมเป็นสั้นเนี่ยดันทูลังเปรนว่าไปยังว่าเป็นร้อยกิโลฯนะยังคอยลงมาถามเขาเสียทั้งน้ำหมกเสียทั้งน้ํามันเสียทั้งเวหลงเวลา่อสรุปว่าคือความโง่ของเจ้าของเองเพราะบ่ถามเขาเนะพราะดันทูลังเพราะทิฏฐิมานะอันนี้อันนี้บอดีวยนน้าไปผู้ใดมีในจิตในใจยังสีบอดีอันนี้คือกันการเขามาศึกษาธรรมะคือกัน เขามาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับผู้บาอาจารย์ขื้นกันมีอยังต้องถามต้องไถ่ต้องศึกษาพอหอบบอท่านฮู้หอาบอกคยเข้าใจในจุดนั้นๆห้าก็ต้องถามบางที่ห้าวจนตรอกจนมุ่เห้าก็ต้องถามเรื่องที่สิ่งทเหตุจังไรผูบาอาจารย์มูพกเพื่อนผู้เขามีปัญญากว่าเขาก็จะสี่เน็ตี่น้าเข้าใดเอาไปยังเท่านึงเลยไปสาลกระตาใส้เข่า บานเห่าก็เอื่นสารหินเนาะเอืสารไล่สองอะ น, นะเอาไม้เหี่ยว่า ก, ก็สารหินแบบใหญ่เวลาปนไใจเข่ามาเนาะไปเอนี่แหละตก๊กนาเขาขนาดนาเนี้ยแหละกำลังถีกเกี่ยวเนี่ยไอ้จะออกคันสาเนี่ยเตรียมหินสําหรับใส่เขา่าเนาไปหินเนกับเหล่ามันคือกันเด้เหล่าเนี่ยอันนึ่งว่นะเหล่าเนี่ยเป็นหลังว่าะาไปหินเนี่ยใกล้ๆกับว่ามันเหลือจากเหล่ามาแล้วเนาะไปปู่ปีนี่กูคือเได้เขาา่าไหลนลมาเด้ เออมันก็อจิตเหลือเหล่าปีนี่การที่เฮ็ดเล่าอีกเกิดมันกับจิตพ่อกระเทิร์นใช่ไหมมันบ่ยแม่งหลายทุกปีมึงกุสิสารหืนเป็นวันเด้มันก็เลยหาใหม่ไล่ไอ้ใหม่เฮียม้าเอาน้าไปมาซับๆับซัคือฝากเนี่ยตากแดดก็มันรอดมาสารไล่สองวันเอาไปพราสารสารมันก็บสานคนเดียวนะไปสารไปสารไปสารขื่นสานขื่นสานขึ้นมันบ่ได้หาตอกได้สาร สารไล่สองนาะพอมีถ้าไปก็ปืนไปก็ปืนไปไปไปมากไปไปไปมากเลยไปพวกกู้เ่าจึงกู้จักเนาะมังสารไล่สองนาะไปสารหินเนาะไปเพราะสารคืนสารคืนบาดมันโวมหัวบาดแหม่พอมคาข้อต้ตาไกูสิออกจังไดกูสิออกจังหินไดบาดเนี้ยกันกู้ปีนก็บิปีนกัสทิงหยหลังลงนี่เดี๋ยวกูสิคฆาฮักแขนักอีกกูก็เฮ็ดจังไดกูสิีออกใดว่าเส้นเล่เาคือจอวสารคืนมากเลยกันกูสีมางออกกูสิโงแท้พวอะไรพวนี ม, มาให้มาออกเลวข้าวหนากูกสะเจ็๊ยดจังไดอีกกระเจี๊นี่ยพอมันหินมันสางสารหินหินช่วที่ไส้เขา่ามอนไปไสเขาเปือกบาดนะเนี่เล็กน้อยก็ามากเขาก็มาเล่นยูแถวนันมันไปเห็นเล็กน้อยมากเ็กน้อยผว่าสู้ว่ากูจิออกจากหินนี่ออกจากกระตาเนี่ยสู้ว่าสกูจิออกได้จังไดสิวายมันหาถามพหลุ่งมันส เ, เจ้ากระลมออกมันก็ออกได้ขึ้นตัวสเอมมอมนควเขาไอ้น ปานนี้ก็เลยใดทางออกกันไปพอ่อพ่อจา้านายก็เล่ยหนึ่งหนึ่งให้มันหลม่มหอบลงยังคอยข้ามออกกันไปเอีเอีจังสี่ละ่ะปัญญามันบาอยูก่กับผู้ใดได้เ่างอกหัวงอกหัวขาวกัจังสูเด็กหน่อยบ่อใดันไปเด็กน่อยเขาเนี่ยเขายัางหูจักว่าวิธีหาทางออ ก, กนะเจ้ากล็ลมมันลงหันเทาก็ข้านออกไคอยยากเจ้าไปหาถามเฮ้ยอยไปหางบปั้นตันเตียวนวันเด็กน่อยวานไป เท่าทั้งแถวมัดปัญญาแล้วทั้ไปสารคืนไปออกบ่อใดเอาทั้นไปนี่แหละอันนี้ก็คือป Oil, ัญญาไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดเจ้าของจนปัญญาจะต้องเออถามแต่บ่กถามเท่านี้ถามมีเลี่ยมหมดเลอขั้นทีว่าฝูออกบ่อไหนสูยจังกูจะออกสูยไหนไปหาไหม่มาไกล้กูได้เขาสิก็สิโง่พอดวันไปเออก็เลยถามแบบเลี่ยมหมดเลไปเขาก็เลยบอกว่าเจ้าอย่ากยากเจ้าเนืองน้องขามือ พุกมันก็นล่มล้มหันเมื่อกับเจ้าป็ย่างออกอตัวสันในเขาว่าเนี่ยอันนี้คือกันนันอ่ะสติปัญญาจะบวบอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแนวความคิดของพลอนั้นเพิ่จงจะอาศัยผู้มีปัญญาอย่างพุทธศาสนาของเฮาก็คืออาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สยามผู้รู่แจงโลกก่อนปัญติสยามผู้รู่แจงโลกเพิ่นเฮ็ดจังไดโอ้โบเมนธรรมดาศึกษาเพิ่นบัตร สังสมบัตมีมากมากไม้มาหาศาลขนาดเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในชาติานิวเนอไปคลองราชมายี่สบเก้าปีอายุมิตสมบูรณ์บริบูรณ์มดทุกสิ่งทุกอย่างเนอไปลาบยศชนะเสริญสุขบริบูรณ์มดขนาดนั้นยังเสียสาระออกไปอยู่ในป่าเพื่อการศึกษาตุนีเนอไป เ, อเพื่อการศึกษาปสิเฮติจังใดสิพ้นจากทุกปมมากเกิดเบี้ยนวัยตายเกิดเหติจังไดคนสิบโแก่โอเจ็บโอตายวิธีการเหติจังใด เพราะนเพื่นยังไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีวนังไปอไปทดสอบไปทดลองอยู่างาจนวันเดือนหกแผ่นเนี่ยนะจึงได้ตัดสู่ถ้ำจึงได้นำพระธรำข้าสั่งสอนมาแนะนำพวกเขานี่นะอหนทางที่จะพอมากเกิดแก่เจ็บตายมีท่านเนอะมีศีลเนอนะมีภาวนาเนอะชำระจิตชาละใจเนอะออกพุทธบริษัทเนอะขันภะัยเหตุจังสี่นะมีแต่ความจะเลื่อนงอกงาม อตัดกิเลสลากะโทษสะโมหะเมดออกจากจิตใจจะเป็นพระรหันต์พ้นทุกในวิวรดาสงสารบ่มามาเวียนใบาตายเกิดเป็นอนันตาการนะพระพุทธเจ้าพณสอนพวกเข้าไปนั่นพวกเข้าทุกท่านเน้อออกตนญาติโนมต้องเสือ่อผูกผลมีปัญญาเห็นบอะให้สังเกตไปยังให้สังเกตคือยังเทาท้มลํามักไปหัวสอดหัวสอดตุกง แฮม่ข้าข้างกับหัวเจ้าของออกบุหรีจนเขากินเขาเกือบแล้วเเจ้าของยังคอยไปเห็นง่วยังเป็นตัวอย่างฮไอแล้วก็นี่แหละมู้เท่าสารหินมาทำไมสารตะกายไงใส่เข่าแหม่ก็ต้องถามปัญญาจากเด็กน่อยเด็กหน่อยบอกให้ผู้เท่ายังออกจากหินได้มไอันนี้คือกันนั่นอ่ะปปัญญาบมื่อยุกับผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้เข้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอเสือพระพุทธเจ้าเสือพ่อแม่คู่บาจาย์ไว้เน้าเจ็ดถึงความ แดนแห่งความกเกษมอตอนนี้ไปรับพ่อมาเนี่ย